แต่สํานวนเราก็คืออะไรดนใจให้มาศึกษาพระธรรมเคยคุยกันเอ๊ะทําไมนะมาศึกษาพระธรรมกันอย่างเงี้ยอะไรเป็นตัวกระตุ้นตัวดนใจมาว่าไอ้สัมมาสัมโพธิญาณอันนี้เนี่ยมีอะไรเป็นตัวกระตุนตนมมน้ น, น, น, น, ต, ต, นตั้งความปรารถนาะตั้งใจมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็ถามถึงบารมีอีกว่าทานศีลเนคคั ม, มปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขาเป็นเช่นไร บารมีเหล่านี้เนี่ยเป็นอย่างไรนะข้าแต่ท่านผู้ทรงปัญญาผู้เป็นนายกแห่งสัตว์โลกบารมีสิบที่พระองค์ทรงบำเพ็ญแล้วเนี่ยเป็นเช่นไรคําถามเหล่านี้เนี่ยคือคําถามที่เราจะศึกษาพระพุทธคุณต่อไปถ้าจําคําถามเหล่านี้แล้วตอบคําถามแนวนี้ได้นี่แสดงว่าเราเข้าใจพุทธคุณใช้ได้แล้วใช่ได้ระดับหนึ่งนะส่วนในรายละเอียดก็สุดแท้แต่ปัญญาของใครพระองค์ผู้มีพระสุรเสียงไพเราะดุดนกกระเวก ข้าพระ อ, องค์เมื่อจะยังหะไทยให้เยือกเย็นยังมนุษย์พร้อมทั้งเทวดาให้รื่นเริงจึงทูลถามขอพระ อ, องค์ทรงพยากรณแก่ข้าพระ อ, องค์ด้วยเถิดขอให้ช่วยตอบปัญหาเหล่านี้ให้ข้าพระ อ, องค์แต่ก่อนที่คําถามเหล่านี้จะเกิดขึ้นใช่ไหมเพราะท่านตามและลึกพุทธคุณก่อนท่านเติมพุทธคุณแล้วนึกหาที่สุดไม่ได้อ่ะว่าคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้านี่มีขนาดไหนท่านนึกไม่จบท่านก็เลย อาศัยภูมินเนี่ยมาถามพระพุทธเจ้าทีนี้พระองค์ก็ได้ตรัสตอบก็พลิกไปอีกหน้าหนึ่งนะพลิกไปที่หน้าหน้าสี่ในอปปั น, นกะอตธิษฐาปปั น, นกะชาดกพลิกไปอีกหน่อยเนาะครั้งที่แล้วเราพูดหน้าสามหน้าสองหน้าสามใช่ไหมนี่ก็พลิกไปอีกหน้าหนึ่งเป็นหน้าสี่ตรงทูเร น, นิทาน คือการศึกษาพระพุทธคุณหรือคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นอะ่ะควรแบ่งการศึกษาออกเป็นสามช่วงด้วยกันสามตอนสามประเชษสามนิทานอ่าคำว่านิทานนี้ก็คือเรื่องราวเหตุการณ์ที่ที่พระองค์ได้บําเพ็ญมานะคือชีวิตของพระองค์นั่นเองนิทานนี้ไม่ใช่นิทานอิศพนะแต่งขึ้นมาหลอกหรือแต่งขึ้นมาเป็นข้อเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยเปรียบเปรยนี่คนละงานนะคำว่านิทานก็คือเหตุนั่นเอง การศึกษาพุทธคุณหรือประวัติของพระพุทธเจ้าในใ น, ในลักษณะการบำเพ็ญบารมีเนี่ยนะมองชีวิตอยู่สามช่วงด้วยกันก็คือตั้งแต่เรื่องพระโพ ธ, ธิสัตว์ตั้งความปรารถนาอย่างจริงจังคําว่าจริงจังนี่คือได้รับพุทธบยากรมาเ ง, งินเถอนะณเบื้องบาทมูลแห่งพระพุทธเจ้าพระนามวาทีปังกรจนถึงจุติ จ, จากอัตภาพเป็นพระเวสสันดรแล้วเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตนี่ชื่อว่าทูเรนิธานอันมอง ตวัดความเป็นไปของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่เริ่มตั้งความปรารถนาเพื่อเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคําว่าเริ่มในที่นี้หมายถึงวันที่ได้รับพุทธภยากรตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันเข้าถึงสวรรค์ชั้นดุสิตในเกือบพบสุดท้ายอะนะนับพบสุดท้ายถอยหลังไปหนึ่งชาติที่เกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตศึกษาชีวิตตั้งแต่นั้นจนถึงชีวิตในสวรรค์ชั้นดุสิตอย่างนี้เขาเรียกว่าทุเรนิธานทูเรนิแปลว่าไกล นิทานไกลเรื่องราวอันไกลของพระ อ, องค์เสร็จแล้วก็ศึกษากระทำมรรคตั้งแต่จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตจนถึงบรรลุสัพพัญญุตยา น, นี้จัดเป็นอวิทูเรนิทานอันนี้ไม่ไกลตั้งแต่สวรรค์ชั้นดุสิตพิจารณามหาวิโลกนะทั้งห้าแล้วจุติในพระคันของพระมารดาจนถึงเจริญเติบโตมีประสาทสามหลังออกบวช แล้วบรรลุสัพพัญญุตญาณอันนี้จัดเป็นอวิทูเรนิทานแปลว่านิทานเรื่องราวที่ไม่ไกลนะักอวิทูเรนิธานทูเรแปลว่าไกลอวิทูเรก็คือไม่ไกลเป็นเรื่องราวที่ไม่ไกลนะักใกล้ๆเขาเราียกว่าไม่ไกลอะ่นะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าใกล้แต่ใกล้นิสันติเกส่วนสันติเกนิทานก็ปรากฏอยู่ในที่ต่างๆของพระองค์ที่เสด็จประทับอยู่ในที่นั้นๆ อย่างเช่นพระองค์ประทับที่ปาอิสิป ต, ตนะมฤุกขายวันทรงแสดงธรรมาจักกับประวัติณะสูตรอย่างเงี้ยชีวิตตั้งกันนี้มาเขาเรียกว่าสันติเกนิทานเป็นนิทานใกล้ใกล้ไหนใกล้ต่อพระธรรมเทศนาที่พระองค์จะแสดงสูตรนั้นนั้นเช่นว่าเอวเมสุตังเอกังสมยยังพระวาสาวัตยังเนี่ยก็คือสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินติกะเศรษฐีอย่างเงี้ย ณสมัยนั้นแลพระองค์ตรัสเรียกพิสูจทั้งหลายมาตรัสว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายเราจะแสดงธรรมะอันไพเราะในเบื้องต้นไพเราะในทางกลางไพเราะในที่สุดประกาศพรหมจารีพร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเธอทั้งหลายจงฟังจงตั้ ง, จ ง, งใจให้ดีเราจะกล่าวต่อไปหัวข้อสั้นๆลักษณะนั้นเรียกว่าสันติเกณฑ์นิทานใกล้ต่อพระสูตรนั้นๆเรื่องราวใกล้ๆทีนี้ในการศึกษาแบ่งออกเป็นสามช่วงอย่างที่ว่า เราก็มาศึกษาในช่วงไกลก่อนมาศึกษาทูเรนิธานทูเรนิทานนี้ถามว่าใครเป็นคนกล่าวเรื่องนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้กล่าวกล่าวเมื่อไหร่กล่าวเมื่อสมัยที่หลังจากที่พระองค์ทำยมกปาฏิหาริย์แสดงยมกปาฏิหาริย์ให้พยาธดูแสดงยมกปาฏิหาริย์ให้พยาธิ์ดูแล้วพระองค์ก็แสดงอภินิหารแล้วเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ย ไม่รู้ว่าอภินิหารของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเช่นไรบารมีของพระองค์เช่นไรพระองค์ตั้งความปรารถนามาอย่างไรถ้าสารีบุตรนี้เป็นคนที่ถามเหมือนเมื่อกี้เนี่ยพระสารีบุตรเป็นผู้ถามถามว่าพระองค์เนี่ยมีมูลปณิธานมีความปรารถนามีความตั้งใจตั้งใจที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่มาเมื่อไหร่ในการไหนอย่างไรพอตั้งความปรารถนาแล้วบำเพ็ญทานศีลเ น, เนคขมะปัญญาวิริยะ คันติร์สัจจะอธิฐานเมตตาอุเบกขาอย่างไรมาเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ในนิทานเหล่านี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้แสดงแต่ว่าเป็นแสดงไว้ในคมภี์พุทธวงศ์ในพุทธวงศ์แต่นี่ในพุทธวงศ์นั้นที่อยู่ในทัวิรดกจริงๆแล้วเนี่ยท่านแต่งเป็นสำนวนคาถาเป็นคาถาประพันธ์ถ้ามาเรียนโดยละเอียดอย่างนั้นเนี่ยของเราเนี่ยถ้าเรียนกันแบบนี้ก็น่นแหละสองปีมั้ง ถึงจะจบอ่ะนะเว้นไว้แต่คุยกันคร่าวๆทีนี้พระอัฏฐกถาจารย์ท่านก็รวบรวมมาเป็นเรียบเรียงให้เนื้อเรื่องกระทัศรัดมาเรียบเรียงให้เนื้อเรื่องกระทัศรัดคำภีร์ที่เรียบเรียงเนื้อเรื่องในพุทธวงศกระทัศรัดมีอยู่สามคำพีด้วยกันคำพีที่หนึ่งก็คืออัฏฐกถาชาดกซึ่งเราจะได้อ่านกันอยู่นี่อันนี้หนึ่งอัฏฐกถาชาดกก็เรียบเรียงเนื้อเรื่อง สั้นๆไม่ยาวจนเกินไปกระทัดรักสา ม, มารถที่คนสติปัญญาดีๆอ่านไม่กี่ครั้งก็พอที่จะนึกได้เล่าให้คนอื่นฟังได้ต้องหลายๆครัง้งเลยนะอ่านครั้งเดียวแล้วเล่าได้นี่แหมเก่งมากเลยใครเก่งขนาดนั้นจะไปสมัครเป็นลูกศิษย์นะจะให้อ่านอภิธรรมนะจะได้ถามไม่ใช่แลนะ้วเนาะทีนี้ต่อไปนะว่าคำภีร์ที่สองก็งคืออัตตะขาคำภีร์อปทานในในพุทธาประทาน ในคัมภีอปทานนี้ก็เรียบเรียงเนื้อเรื่องแบบย่อๆเหมือนกันคำพีอัปทานนะอปทานนี้มีอยู่สองเล่มเล่มแรกในเรื่องนั้นในอัตถาอัปทานก็เรียบเรียงเนื้อหาโดยย่อแล้วก็คำพีที่สามก็คืออัตถสารีนีอัตถาธรรมสังคีนีปรกรณ์นี่สามเรื่องคือเรียบเรียงคัดย่อมาจากคมภีพุทโธวงศ์อีกครั้งหนึ่งอัตถามาเรียงเรื่องย่อนะถ้าใครไปอ่านพุทธวงศ์แล้วเนี่ยโอ้ย อ่านแรกๆเนี่ยก็เฮาตั้งหลายครั้งกันะของอต า, มมาตมาเนะมันสรุปเรื่องไม่ได้อ่ะยาวเหลือเกินเยอะเหลือเกินขยายสับบ้างขยายนโน่นขยายนี่จนเราเองมึนเนี่ยยากแต่ตอนหลังก็มาอ่านในอัตถสารีอัตถกะถาธรธรมสังขีนีแล้วก็อ่านในอัตถกะถาชาดกแล้วก็อ่านในอัตถกะถาอปทานอ่านสามแห่งเนื้อหาสรุปเหมือนกันแต่แปลโค้ราอาจารย์ก็เนื้อหาก็คล้ายๆกันเนื้อหาที่เป็นบาลีเนี่ยเหมือนๆกันเลย แล้วก็ไปอ่านพุทธวงศ์ใหม่เออลึกซึ้งขึ้นใชแล้วก็จะเห็นว่าเออในในเรื่องเดียวเนี่ยมีกล่าวหลายแห่งตรงไหนเราอ่านจำนวนไหนไม่เข้าใจก็ไปอ่านอีกหลายหลายแห่งเอาอ่าเฉพาะตรงนี้ก็เอาคัดมาจากอัตกถาชาตกาัตกะถาอัตกถาชาดกแต่บอกเออนี่ข้อความอันนี้เป็นอัตกะถาเชื่อไม่ได้ถ้าพูดอย่างนี้เข้าก็อ้วาจาอันนั้นก็ก็น่าสงสารนะเจตนาที่เป็นวาจาอันนั้นนี่มีโทษนะ เพราะว่าคำภีร์นี้ท่านคัดมาจากคมภี์พุทธวงศ์อีกครั้งหนึ่งพุทธวงศ์นั้นถ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสถามว่าพราะองค์ตรัสด้วยอะไรพระองค์ตรัสด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณพระองค์ใช้บุพเพนิวาสานุสติญาณแล้วละลึกละลึกแล้วพระองค์ก็ตรัตตรัตออกมาซึ่งในรายละเอียดโดยพิศดานี้ก็ไปดูได้นะในพุทธวงศ์ฉบับเก้าสิบเอ็ดเล่มอยู่เล่มเจ็ดสิบสามอยู่เล่มเจ็ดสิบสาม ที่เราเอามานี่ตรงสุมเมฆกระถาคือในพุทธวงศ์นี้มีพลนารัตนจงกรมกันแรกต่อไปก็สุมเมฆกันแล้วก็หลังจากสุมเมฆก็พูดถึงประวัติของพระทีปังกรประวัติของพระพุทธเจ้าพระนามวโกณทัญญมังคลาสุมาณะเป็นต้นก็จะไล่ามาเรื่อยตามคำภีพุทธวงศ์ซึ่งตรงนี้เราก็อันนี้แค่เรียกว่าพูดเข้าโครงไปก่อนนะใครที่พอนึกเข้าโครงได้ก็ได้นึกจําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไปอ่านแล้วเข้าใจเอง เฉพาะตรงนี้ก็จะได้เล่าเรื่องว่าข้อความอันนี้เนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละเป็นคนตรัสแต่พระองค์นี้ตรัสตามบุเพนิวาสานุสติญาณญาณที่ระลึกชาติได้บุเพนิวาสานุสติญาณ น, นั้นเป็นโลกิยะอภิญญาอภิญญาเหล่านี้ที่จริงพระองค์บรรลุตั้งแต่ไม่ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระองค์ระลึกชาติได้ตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าคือ ปฐมยามแห่งราตรีเนี่ยนะคืนวันเพน็ญเดือนหกเนี่ยนะในในวันเพน็ญเนี่ยปฐมยามเนี่ยพระ อ, องค์ละลึกชาติอย่างเดียวใช่ไหมบุเพนิวาสานุสติญาณตอนระลึกชาติเป็นพระพุทธเจ้าหรือ ย, อยังตอนนั้นยังนะตอนนั้นเป็นพระโพธิสัตว์เห็นสัตว์เกิดสัตว์ตายตรงช่วงนั้นก็ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าตอนที่พิจารณาปฏิจจสมุปบาท ต, ตรงนั้นก็ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้า พอพิจารณาปฏิจจัสมุบาติโดยละเอียดทีท้วนดีแล้วจึงบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าตอนนั้นยังเป็นปุตุชนอยู่ตอนที่มีบุเพนิวาสานุสติญาณตรงนั้นเนี่ยยังเป็นปุตุชนอยู่แต่บุเพนิวาสานุสติญาณที่มา ล, ลึกอันนี้ตอนที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วแต่ก็ไม่ได้ขัดกันนะไม่ได้ขัดกันแต่ให้รู้ว่าพระองค์นี้ตรวจเช็คด้วยสัพพัญยุตยานแล้วและพระองค์ก็ทรงเล่าถึง เรื่องเหตุการณ์ในอดีตเมื่อสีอสส่อสงไขยสี่อสงไขยเศษแสนกับที่แล้วในสี่อสงไขยแสนกับที่แล้วเนี่ยนะกลับหนึ่งเราเคยได้ยินยนะทท น, นะพบทวนได้นะว่ากับหนึ่งเนะี่ยยาวขนาดไหนแล้วเอาหนึ่งเลขหนึ่งเนี่ยมาตั้งเลขศูนย์ติดตามร้อยสี่สิบตัวนี่เขาเรียก อ, งอสงไขยร้อยอสงไขยเนี่ยสํานวนทางศาสนาปละวัตนับไม่ได้อสงไขยเนี่ย สงไข่นี่สังขยะนี่แปลว่านับการนับอสังขยะแปลว่านับไม่ได้นะไม่นับแล้วนะเลิกนับพอแล้วเลขศูนย์รอยสิบตัวก็เลิกนับแต่ก่อนหนะ้านั้นท่านยังนับของท่านอยู่นะมันกองทับเนี่ยออกมาเลยตั้งแต่อะไรนะสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านโกดประกฏไปเรื่อยจนถึงอสงไข่เนี่ยนะคือเลขศูนย์ร้อยสี่สิบตัวนั่นเองท่านกท่านเลิกนับแล้วพอและอย่างนั้นหนึ่งครั้งเรียกมัาหนึ่งอสงไข่ แล้วอย่างนี้สี่ครั้งเรียกว่าสี่อสงไขย์กับที่ยาวๆนั้นอีกเศษอีกแสนกับนับเวลาสีอสงไขย์แสนกับเหตุการณ์เมื่อสมัยนั้นเกิดมีอยู่ว่าเขาบอกว่าเล่าว่าในที่สุดสี่อสงไขยยิ่งด้วยแสนกับนับแต่นี้ไปคือนับตั้งแต่ทุวันนี้ไปนะได้มีนครหนึ่งนามว่าอมาระวะดีหรืออมมอวดีเมืองอมอนอย่างเงี้ยชื่อเมืองเทวดา เมืองกรุงเทพหรือเปล่าคล้ายๆกันหน่อย น, นะกรุงเทพมหานครอมรรัตนนะโกศิลมหมหินทราวยาวเฟ้ยเลยแต่ก็อมรอมีอยู่คำหนึง่ง น, นั้นน่ะเมืองอมรเหมือ น, นกัเมืองไม่ตายเมืองเทศคือถ้าตายแล้วก็ไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วนะแต่ตอนที่อยู่ที่นั่นก็นไม่ตายอะทีนี้ในเมืองเมืองนั้นเนี่ยก็มีพรามชื่อว่าสุเมศอาศัยอยู่ก็คือเป็นคนวรณะสูงเหมงอนกันเถอะ เขามีกำเนิดดีมีคันอันบริสุทธิ์ทั้งฝ่ายมารดาทั้งฝ่ายบิดานับได้เจ็ดขั่วตระกูลจะดูถูกไม่ได้ว่า ง, งั้นแต่พูดถึงโคตรตระกูลเนี่ยดูถูกกันไม่ได้ย้มไม่ได้เอาเรื่องตระกูลมาย้ำไม่ได้มามิ่นกันไม่ได้หาผู้ตำหนิไม่ได้ในเกี่ยวกับเรื่องเชื้อชาตินี่โดยตระกูลโดยนามสะกูลกันทีนี้มีรูปสวยหน้าดูหน้าเลื่อมใสประกอบด้วยผิวพรรณอันงามอย่างยิ่ง เรียว่ารูปสมบัติก็ให้ชาติตระกูลได้รูปสมบัติได้เสร็จ แ, แล้วเขาเนี่ยเกิดในตระกูลดีเขาไม่ทําการงานอย่างอื่นเลยศึกษาแต่ศิลปะศาสตร์ของพราหมอย่างเดียวอันเขาหัวดีมากสามารถที่จะทรงไตรเพศทรงคมภีร์อย่างอื่นอีกตั้งมากมายหลายคมภี์สมัยนั้น น, นะนับสมัยนี้ก็ถือว่าเป็นด็อกเตอร์เลยเลย แ, แล้วไม่ใช่สาขาเดียวนะหลายสาขาด้วยกันเพราะฉะนั้นตอนหลังก็บิดาของเขา มารดาก็ถึงแก่กรรมตั้งแต่เขายังเป็นหนุ่มอยู่ตระกูลดีสองรูปงามสามความรู้ดีคุณสมบัติเพียบพระะ้อมเหมนน่แต่ว่าพ่อแม่ตายนี้จากตั้งแต่สมัยหนุ่มๆต่อมาอัมมาตผู้จัดการผลประโยชน์ก็นําบัญชีทรัพย์สินมาแล้วก็เปิดห้องคลังที่เต็มไปด้วยเงินทองแก้วมณีแก้ ว, ม, กวมุกดาเป็นต้นแล้วก็บอกให้ทราบถึงซั์ตลอดเจ็ดชั่วตระกูลว่า ทรัพนี้สะสมกันมาเจ็ดชั่วโคตรนะค่าแต่กุมารทรัพย์สินเท่านี้เป็นของมารดาเท่านี้เป็นของบิดาเท่านี้เป็นของปู่ของตาของทวดปู่ของปู่ของปู่นี่ก็เก็บไว้ได้เท่านี้ของนี้เท่านี้เนี่ยของเก่านะเก่าจริงๆเลยนะเจ็ดชั่วตระกูลมาแล้วเพราะฉะนั้นก็เบ็ดเสร็จแล้วก็รวมประมาณแปดสิบโกรธแปดสิบโกดก็โกดธมันก็สิบล้านก็ประมาณเท่าไหร่ของสมัยนั้นนะนะ เพราะฉะนั้นขอท่านจงจัด ก, การเถิดนะท่านบริหารกันแล้วกันสุมเมศบัณดิตก็เลยคิดว่าปู่เป็นต้นของเราสะสมทรัพ์นี้ไว้แล้วเมื่อจะไปสู่ปรลโลกที่ชื่อว่าจะถือเอาทรัพ์แม้กหาปณะห น, หนึ่งติดตัวไปด้วยก็หามีไม่มคือตรงนี้เนี่ยความคิดมันแตกต่างกันนะคนหนุ่มๆก็คิดอย่างหนึ่งนะคนสูงอายุ ก, ก็จะคิดอีกอย่างนึงถามว่าคิดอย่างนึ่งยังไง คนมีอายุคนมีลูกมีหลานก็พี่จะหาข้าวหาของเก็บไว้ให้ลูกให้หลานคนหนุ่มๆมันมก็จะรักตัวเองก็ไม่ไม่มีลูกมีหลานมีครอบครัวไม่มีพันธาก็นึกถึงแต่ตัวใช่ไหมก็เลยนึกเออปู่นี่ไม่ฉลาดเลยนะหาข้าวหาของเก็บไว้สะสมไว้เออไม่เห็นเอาติดตัวไปแม่แต่บาทเดียวเลยนะกากระนีอีกหนึ่งบาทเดียวก็ไม่มีเอาไปแต่ตอนปู่ตอนย่าตอนทั่วตอนอะไรไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกประจักจไว้ให้หลานนี่แหละตอนที่ปู่สแสวงหาก็เพื่อให้หลาน แต่ร้านดันไม่คิดเหมือนปู่เอ๊ปู่นี่ทำไมไม่ฉลาดไม่เอาไปด้วยเลยฮะบาทเดียวก็ไม่เอาไปเลยแต่เราควรกระทำเหตุที่จะให้ถือเอาทรัพย์ไปด้วยว่าจะเอาของเนี้ยจะไปเป็นของที่จะใช้ต่อไปในพบต่อไปด้วยพอคิดอย่างนี้แล้วก็กราบทูลพระราชาเพื่อให้ตีกอรองป่าร้องไปในพระนครให้ทานแกมหาชน ก็คือไปเล่าบอกพระราชาว่าข้าพระองค์เนี่ยจะจัดการกระซั์อย่างนี้อย่างนี้พระราชาก็เลยอ่ะตามสบายเลยก็เลยตีกลองเป่าร้องให้มหาชนมารับตอนหลังก็ออกบวชเพื่อที่จะทําเนื้อความนี้แจมแจ้งว่างั้นเถอะท่านก็เลยได้กล่าวในคัมภี์พุทธวงศ์แต่พระอรหัตอ า, าจารย์คือพระพุทธโคส า, าจารย์นี่ท่านบอกว่าในสุเมตกระฐานี้มาในคัมภีร์พุทธวงศ์ติดต่อกัน แต่เล่าเรื่องเป็นคาถาประพันธ์ร้อยแก้วกับร้อยกรองอันไหนอ่านง่ายกว่ากันสรุปนะสรุปเรื่องนะร้อยแก้วอ่านง่ายร้อยกรองอ่านอ่านจําง่ายแต่ว่าเข้าใจยากอ่านง่ายเข้าใจยากใช่ไหมคือที่เข้าใจยากเพราะกว่าจะมาต้องมานั่งแปลอีกแต่ละคําแต่ละคำเรามานั่งคิดแต่ว่าจําง่ายแต่ร้อยแก้วเนี่ยนะเรียบเรียงเนื้อหาเนี่ยนะจํำยากแต่ว่ารู้เรื่องง่ายดีคนละอย่าง เพราะฉะนั้นในในพุทธวงศ์เนี่ยเป็นคาถาเป็นคาถาเรียบเรียงไม่ใช่เป็นจุนิยะไม่ใช่เป็นเชิงอธิบายแต่เป็นเชิงร้อยกรองไพเราะกว่าแต่เข้าใจยากกว่าจับเนื้อเรื่องได้ยากกว่าเพราะฉะนั้นท่านก็จะทําคาถาประพันธ์เนี่ยแทรกไว้ตรงไหนตัวอักษร ด, ำดำําๆตรงนั้นเขาเรียกสํานวนเรียกคาถาตรงไหนอักษรไม่ค่อยดําไม่ค่อยนาเขาเรียกว่าจุนิยะเป็นถ้อยคําเรียบเรียง แบบคาถาเนี่ยเรียกว่าร้อยกรองถ้าเป็นพยัญชนะนั้นเรียกว่าร้อยแก้วให้เข้าใจว่าทําไมตัวดําตัวหนาบางทีก็เหมือนซ้ําๆกันคือที่ซ้ํากันนั้นที่เป็นร้อยกรองก็เพื่อสะดวกในการจดจำแต่ที่ท่านเรียงเป็นร้อยแก้วเพื่อให้เข้าใจเนื้อความโดยชัดเจนเพราะฉะนั้นท่านก็เลยกล่าวไว้ในที่สุดสี่อสงไข ย, ยิ่งด้วยแสนกลับได้มีพระนคร น, นามว่าอมรวดีและมีอีกชื่อหนึ่งว่าเมืองอมรเมืองเทวดา จะไปกรุงเทพเนะ้ในี่ปฏิวดาก็เลยอากาศดีมากเลยใช่หรอเชียงใหม่ดีกว่าแล้วในเมืองนี้ก็อึกระทึกไปด้วยเสียงสิบอย่างก็เลยกล่าวเป็นคาถาประพันธ์ว่าในสีอสงไข ย, ยิ่งด้วยแสนกลับมีพระนครหนึ่งนามว่าอมรเป็นเมืองสวยงามหน้าดูหน้ารื่นร่มสมบูรณ์ด้วยข้าวด้วยน้ำอึกระทึกไปด้วยเสียงสิบอย่างเสียงสิบอย่างของเมืองนี้ก็คือเสียงชา้างเสียงมา้าเสียงรถเสียงกลอง ถ้าบ้านเราตอนนี้ก็เสียงเครื่องบินเอ่ยเสียงรถเอ่ยเสียงสารพัดเสียงอะนะดังก็หึมไม่หมดเลยมั้งนะเสียงตะโพนเสียงพินเสียงขับร้องเสียงสังเสียงกังสดานแล้วก็เสียงสุดท้ายก็คือเสียงเชิญกินข้าวกินน้ําเชิญดื่มเรียกกินข้าวนะไปไหนมากินข้าวหรือยังอะนะเสียงพวกนี้ก็จะได้ยินจอแจจอแจกันซึ่งท่านถือเอาเอกเทศแห่งเสียงเหล่านั้นจึงได้กล่าวคาถาอีกว่า กึกก้องด้วยเสียงช้างเสียงมา้าเสียงกลองเสียงสังและเสียงรถเสียงเป่าร้องด้วยข้าวและน้ำว่าเชิญครบเคี้ยวเชิญดื่มแล้วกล่าวอีกต่อไปว่าท่านครอันสมบูรณ์ด้วยคุณลักษณะทุกประการเข้าถึงความเป็นท่านครที่มีสิ่งต้องการทุกชนิดสมบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการขวักไข่ไปด้วยเหล่าชนต่างๆมั่งคั่งดุจเทพนารีแปลว่าเป็นเมืองที่มั่งคั่งเหมือนเทพนครอย่างนั้นเนี่ เป็นที่อาศัยอยู่ของเหล่าผู้มีบุญเอคนมีบุญนะจะไปเกิดในเมืองนี้ได้มีบุญไปเกิดเลาะไปเกิดในชนบทแทนไปเกิดเลาะรอบๆบนอกมีบุญยิงจะได้เกิดรอบในอย่างนั้นแล้วก็มีพรามณ์ชื่อว่าสุมเมตมีทรัพสมบัติสะสมไว้ได้หลายโกดมีทรัพย์และข้าวเปลือกมากมายเป็นผู้คงแก่เรียนทรงมได้มากเรียนจบไตรเพศถึงความบริบูรณ์ในลนักขณะสั คำพีลักษณะศาสตร์ก็คือจบคำพีพร์มหาบุริสลักษณะศาสตร์นั่นเองนั้นพวกนี้จบพยากรณ์มองหน้าปั๊บทานายได้เลยคนนี้เป็นอย่างนี้ลักษณะแบบนี้จะรวยจะจนจะขนาดไหนเนี่ยก็เรียกว่าคัมภีร์หมอดูนั่นแหละแต่ว่าหมอดูแบบมีศาสตร์ซึ่งยาวมากนะเป็นคาถาเป็นประพันธ์บอกคัมภีร์นั้นเมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาในโลกคนรู้ว่าพระพุทธเจ้าเกิดแล้วคำภีร์นี้ก็หายไปคมภีรนี้จะมีใหม่อีกครั้งหนึ่งก็คือในยุคที่จะมีพระพุทธศาสนา พรมเนี่ยจะมาสอนคัมภีร์นี้ก่อนมาสอนให้ดูลักษณะว่าคนที่มีลักษณะตามคัมภีร์แบบนี้เรียกว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือคัมภีร์มหาปริศลักษณะสามสิบสองอย่างนั่นเองนะมีผมเป็นอย่างไรมีคิ้วเป็นอย่างไรมีขนงเป็นอย่างไรมีหน้าเป็นอย่างไรมีคางเป็นยังไงมีแขนเป็นยังไงมีเท้าเป็นยังไงมีลิ้นเป็นยังไงมีองค์ชาติมีเท้ามีแโอ้พูดละเอียดหมดถ้ามีรูปร่างแบบนี้ถ้าเป็นคารวาสจะเป็นยังไง ถ้าออกบวชจะได้เป็นยังไงอะไรนี่เขาจะรู้ทํานายลักษณะหมดเลยเขาดูออกแล้วก็มีคัมภีอิติหดัดและคำพีศัพทศาสตร์คำพีพวกเรื่องศัพท์เรื่องพยัญชนะเรื่องการแต่งกลอนอ่ะนะพวกอักรษรศาสตร์นี่เขาเก่งวะ น, นสามารถพูดคุยเป็นกาบเป็นกลอนได้เลยะนะคุยเป็นภาษารำตัพได้เลยพระสัมมนาอิติหดัดเป็นต้นซึ่งในรายละเอียดนี้ในในเรื่องเหล่านี้เขามีบางแห่งเขาอธิบายรายละเอียดอ่ะนะ ทีนี้สุเมธบัณฑิตนี้อยู่มาวันหนึ่งก็เลยไปในที่เร้นณนะพื้นปราสาทชั้นบนก็นั่งสมาธิคิดนั่งสมาธิการนั่งสมาธิหรือป่าวในเช้าที่นั่งเปิกพุทธคุณเนะียนั่งสมาธิแบบนั้นแหละคลองคำอ่ะเนะบอกว่านี่บัณฑิตคือบอกตัวเองนะอ่ะนะคือนั่งคุยกับตัวเองเลยปรารบปัญหาชีวิตคนเนี้เนะี่ยพอเข้าถึงจุดสูงสุดของชีวิตแล้วก็ไม่รู้จะเอาอะไรอีกเหมือนกันนะ ก็มาถามหาใช่ไหมทรัพย์สินก็ได้แล้วตระกูลก็ได้แล้วรูปร่างก็ได้แล้วทีนี้ชีวิตในช่วงนี้มันก็เข้ากับหัวเลี้ยงหัวต่อนะจะแต่งงานจะมีครอบครัวหรือจะใช้ชีวิตยังไงต่อไปเพราะว่าถือว่าเขาจบทุกกระบวนทุกศาสตร์แล้วมีความรู้ดีทุกแขนงทุกสาขาหมดนะทรัพย์สินก็ถ้าจะทํามาหากินเพื่อเอาเงินก็ไม่รู้จะเอามาทําอะไรมันก็มีมากมายถ้าจนคนใช้เนี่ยนะนายก็เรียกมาทีละคนสองคนเรียกเป็นร้อยปีก็ไม่หมด ค่าท่าเยอะขนาดนั้นอ่ะนะคนใช้กรรมกรเนี่ยเลือกสวนไรนาเนี่ยนะบริหารเดินเที่ยวดูเฉยๆเนี่ยก็หมดเวลาตั้งหลายวันแล้วมันรัพย์สินมันมากอ่ะนะเพชรเนี่ยถ้าเปลี่ยนกันใส่ทีละวันทีละวัน ท, ลนทีละวันก็ไม่ต้องหมดหรอกนะยิ่งว่ารองเท้าสี่บสองคู่อีกมั้งนาะผ้าเขามีเป็นตับๆอะ่ะผ้ามันพขอาเข้าเป็นโรงงานอ่ะนะเป็นเจ้าของโรงงานมันสมบูรณ์เพียบพร้อมหมดแล้วก็มันนั่งทบทวนเรื่องชีวิตแล้วพอเข้าถึงจุดอิ่มตัวในด้านวัตถุก็มาทบทวนในด้านชีวิต บอกว่านี้บัณฑิตการเกิดอีกชื่อว่าการถือปฏิสนธินี่มันเป็นทุกข์ท่านคิดถึงเรื่องการเกิดเลยนะว่าการเกิดนี่มันเป็นทุกข์นะการแตกดับแห่งสรีระในที่ที่เกิดแล้วกว็เป็นทุกข์เช่นกันเกิดมาอีกเนี่ยที่ว่าเกิดเป็นทุกข์ทำไมจึงเป็นทุกข์เรถามดูนะที่เกิดมาเนี่มันสนุกหรือเปล่าเราลองทบทวนถามชีวิตของเราทั้งหมดเลยที่ผ่านมาเนี่ยสนุกไหมส่วนตรงไหนบ้างที่มันสนุก หรือมันสุขจริงๆเน่ยเสร็จแล้วพอเกิดมาแล้วที่สุดแห่งความเกิดก็คือความตายนะเอ๊อตายนี่มันก็ทุกข์เหมือนกันและเราก็มีความเกิดเป็นธรรมดาธรรมชาติเหมืนกันแต่เป็นของธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาควรที่เราพูดเป็นเช่นนี้ จากแสวงหาพระนิพพานที่ไม่เกิดไม่มีแก่ไม่มีทุกข์มีแต่สุขเยือกเยน็นไม่รู้จักตายนี่ว่าชีวิตเราเป็นอย่างนี้เราควรจะแสวงหาสิ่งที่มันตรงกันข้ามกับเกิดแก่เจ็บตายเหล่านี้ทีนี้การที่จะบรรลุนิพพานนั้นก็มีทางอยู่สายเดียวทางสายเดียวใช่ไหมถ้าคนที่ศึกษาสติปัฏฐานมาก็ เอกายโนอายังพ e ิคเวมคโคสัตตานังวิสุทธยาเนี่ยเราก็จะนึกออกใช่ไหมถ้าศึกษาสติปัฏฐานมาแล้วแต่นี้ช่วงนั้นไม่มีผู้ศาสนานะไม่มีศาสนาในช่วงนั้นเป็นช่วงที่ว่างจากคําสอนอาจจะพูดไปก็เหมือนกับฝรั่งนั่งบนตึกแล้วก็นั่งคิดอะนะแต่สมัยเนี่ยคือคือไม่มีศาสนาแบบพูดเราเนะี่ะเราก็นั่งคิดของเขาไปเรื่อยไปอย่างเงี้ยนะบอกว่าทางสายเดียวที่พ้นจากภพมีปกตินําไปสู่พระนิพพานเนี่ยจะพึงมีแน่นอน เขาบอกว่าคําว่ามักนี้หมายความว่าไงทุกสมุทัยนิโรธมักเนี่ยมักแปลว่าอะไรมักแปลว่าทางคําว่าทางนี่มีความหมายว่ายังไงมีความหมายว่าคนที่ต้องการนิพพานเนี่ยต้องแสวงหาและมักเนี่ยเป็นเครื่องให้ถึงนิพพานเป็นเครื่องที่จะทำให้บรรลุนิพพานไลยถ้ามักไม่เกิดไม่นิพพานเนี่ยหรือไม่คนที่ต้องการนิพพานจะต้องไปแสวงหามักนีความหมายของคําว่าทางหรือคําว่ามัก มีสองความหมายนะความหมายแรกก่อนก็ควรในวันหลังจะทํามใหม่มักก็คือผู้ต้องการพระนิพพานเนี่ยต้องสแสวงหาผู้ที่ต้องการนิพพานต้องสแสวงหามักหรือมักเนี่ยเป็นเครื่องที่ทําให้ถึงนิพพานมี่สองความหมายเพราะงั้นก็ต้องสแสวงหามักก่อนใช่ไหมอ่าถ้าพวกเราทั้งหลายนี่ต้องไปสแสวงหาไม่มักเนี่ยต้องไปค้นคิดเอ๊มักเป็นยังไงมักที่จะทําให้ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ต้องเลยนะ เพราะพระพุทธเจา้านี้แสดงไว้แล้วนะนะไไทางนี้เป็นทางสายเอกใช่ไหมทางสายเดียวเคยได้ยินนะทางนี้เป็นทางสายเอกทางสายเดียวทําไมจึงเรียกว่าทางสายเดียวเคยกิดนะทําไมจึงเรียกว่าทางสายเดียวที่เรียกว่าทางสายเดียวคือไม่ใช่ทางสองสายถ้าไม่อย่างนี้เนี่ยมันต้องมีวิธีอย่างอื่นแน่นอนที่จะทําให้มรุนี้ผ่านเว้นอริยมักเนี่ยนะ ก็ไปค้นคิดกระบวนการใหม่ๆอ่นเนี้ยคิดว่าน่าจะมีทางสายใหม่อีกองบอกว่านี่ไม่ใช่สองทางแบบนั้นไม่ใช่สองแท่งนะไม่ใช่สองเลนอย่านเงี้ยเลนเดียวแล้วก็ต้องเป็นทางที่ไปเฉพาะคนคนเดียวนะที่ทางสายเดียวเนี่ยนะคนคนเดียวเนะไปไม่ใช่ว่ า, วาคนอื่นเนี่ยนะจะพาคนอื่นไปด้วยได้นะพาไปไม่ได้ยังมากกว่าเล่าให้เขาฟังพระพุทธเจ้าบอกดูก่อนพร้ามแต่ท้าคตเป็นแต่เพียงคนบอกทางว่านั้น อง์พาใครไปไม่ได้รอกแต่เขาไม่ไปอ่ะนะพองเล่าทางให้ฟังแต่พองก็ไม่ได้เล่าทั่วไปนะเล่าเฉพาะาคนมีบุญพอที่จะไปได้มั้งคับเพราะว่าทางที่ไปต้องไปคนคนเดียวแล้วคนที่จะไปลักษณะนี้ต้องละการคลุกคลีปลีกตัวออกไปในที่สงัดจึงจะดําเนินจึงจะปฏิบัติได้ mm hmm. คือคนเดียวก็ต้องสงัดหน่อยนะมาใช่ว่าชวนเพื่อนไม่นั่งคุยกันอะไ น, นี้ยากหน่อย ถ้าคุยถ้าเป็นสนทนาธรรมะก็ยังชื่อว่าเดียวอยู่อีกนั่นแหละเพราะสงบใช่ไหมแต่ถ้าไปนั่งชวนกันไปนั่งฟุง้ง<อ>นี่ก็ไม่ใช่แล้วหรืออีกอย่างหนึ่งนะเป็นทางดําเนินของผู้เป็นเอกมรคนี่ยนะเอกายนามมร์เนี่ยนะทางสายเดียวเนี่ยผู้เป็นเอกในที่นี้ก็คือใครผู้เป็นเอกก็คือผู้ที่ประเสริฐสูงสุดกว่าสัตว์ทั้งหลายคือพระพุทธเจ้าเป็นทางของพระพุทธเจ้า ถ้าพระพุทธเจ้าไม่เล่าทางอันนี้บอกนะจะไปยังไงเอาเนี่เรานั่งกันอยู่เนี่ยไปนี้ผ่านจะไปยังไงครัไปได้ยังไงต้องก้าวเดินต้องลุกก่อนหรือเปล่าทุกคนลุกขึ้นได้ได้เลี้ยวซ้ายหันหน้าหันหลังอย่างเงี้ยไม่มีไปอย่างถ้าพระ อ, องค์ไม่สอนเรื่องอริยสัจนะเราจะไม่รู้เลยว่าพ้นทางแห่งความพ้นทุกนี่จะเป็นอย่างไรนะเรามองเห็นจริงเนี่ยตามองเห็นแต่ว่าไม่เห็นอริยสัจไม่เห็น ไม่เห็นทางแห่งความพ้นทุกข์อ่ะก็เห็นเนี่ยหลับตาําตาเปรบเ ป, ปรบเนี่ยก็เห็นหูก็ได้ยินเสียงเลยแต่ว่าไม่ได้ยินเสียงที่เป็นทางแห่งการรู้อริยสัจถึงขนาดฟังแล้วก็ยังไม่ค่อยจะรู้เองยากขนาดนั้ น, น่ะลึกซึ้งเพราะงั้นเป็นของคำภีระเป็นของลึกซึ้งที่เพราะว่าจะต้องเป็นทางเนี่ยจะต้องมองเนี่ยการเห็นการได้ยินไปต้นโดยความเป็นขันธ์ธาตอริยตนะ สัจจะอินทรีย์ปิติจะมัต้องยังถึงอันนั้นอ่ะมันจึงจะดับกิเลสยังกับบรรลุมรรคผลนิพพานได้เมื่อไงก็นั่งทำตาปริบๆนั่งเอาหลับตาอีกเชื่อไม่บรรลุหรอกนะงมื่อไคนนอนหลับก็บรรลุไปแล้วกานั่งหลับตาเฉยๆก็บรรลุแต่บรรลุด้วยอะไรศาสตร์ทั้งหลายบริสุทธิ์ด้วยปัญญาบริสุทธ์ด้วยปัญญาบริสุทธิ์ด้วยสัมมาทิฏฐิแต่อย่าลืมนะว่าปัญญานี่เดียวๆเกิดได้ไหมปัญญาเกิดโดยที่ไม่มีบริวารได้ไหมไม่ได้ เพราะฉะนั้นมักจึงมีแปดองค์แต่มีสัมมาทิฏฐิเป็นประธานเป็นประมุขเป็นหัวหน้าเป็นใหญ่เราจะต้องอาศัยองค์อื่นๆเข้ามาร่วมเข้ามาประกอบด้วยัน้นทางนี้เป็นทางที่พระพุทธเจ้านี่ทรงทําให้เกิดขึ้นอริยมรรคเรื่องอริยสัจนี่นะนั้นถ้าเรานั่งอยู่อย่างนี้มองไม่เห็นอริยสัจมองไม่เห็นขันธ์ธาตุอายตนะแสดงว่าโหเรากับพระพุทธเจ้าน่าจะคนละงานเลย